คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษโสดาสกตาคาอนาคาระรหันนั่เรียกสาวะกสังโคถ้าไม่ได้ใช้คาว่าพี่กูสังโคงั้นอย่างพวกเราเป็นฆรวาสเราไม่ได้ไปบวชกรองจีวรเราก็สามารถเป็นสาวกได้ถ้าใจของเราเข้าถึงธรรมะแล้วาอนานได้พระโสดาบันเมื่อไหร่ใจเราแหละเป็นพระละเรียกว่าพระโสดาบัน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 ขอข้าวพระกินอะไรเงี้ยนะมันคนละเรื่องกันนะถ้าใจของเราเข้าถึงธรรมะนะใจเราเข้าถึงความเป็นประสงค์เราเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะถ้าใจของเราเป็นอย่างนั้นนะใจเราจะไม่ทุกข์เมื่อใจเราไม่ทุกข์ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเราเข้าถึงพระพุทธพรธรรมพระสงค์แล้วนี่ต้องมาฝึกอยู่ๆมันไม่ถึงหรอกจะมาอ้อนวอน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 มันบกคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครเป็นคนหายใจออกร่างกายหายใจออกเห็นไหมรู้ว่าร่างกายหายใจออกรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าอย่าไปรู้ลมหายใจนะถ้าอยู่ๆก็ไปจ้องใส่ลมหายใจจะเป็นสมถะอมตะเลยเป็นการเพ่งลมเพ่งลมจะได้กสินลมนะจะกลายเป็นสุดท้ายลมจะดับเป็นแสงกลายเป็นกระสินไป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 ดูยากกว่าอย่างเราร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่เห็นจะมีอะไรเง่ายๆใช่หไหมเราคอยรู้ใจกขได้ถ้าคนไหนขี้โมโหนะเราก็ใช้จิตตานุปัสสนาเพื่อให้มีสติคนไหนในห้องนี้ขี้โมโห บ, บ้างย้มือซิคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้เห็นเมียชาวบ้านก็ชอบอย่างเงี้ยนะคนไหนฟุ้งซ่านเก่งยกงมือซิฟุ้งซ่านเนี่ยเยอะที่สุด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 เห็นอันนี้ก็อยากได้ได้กลิ่นอย่างนี้ก็ชอบนได้รถอย่างนี้ก็ชอบสัมผัสแบบนี้ก็ชอบนั่งอยู่คนเดียวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ชอบอีกนะคิดถึงคนอื่นก็ชอบเพิาออีกอะไรเงี้ยเห็นนั้นมือถือของคนอื่นก็อยากได้ไงเนี่ยอย่างนี้พวกคี้์ล็บพวกคี้์ลอบหน้าตามองเห็นก็ล็บหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็ชอบสัมผัสใจคิดนึกก็มีแต่ล็บทั้งนั้นเลยรอบเกิดปล่อยถ้านนี้ใส่คี้์ลอบเนี่ยเราก็ใช้ความคี้์ลอบของเรานี้้แหหลมมมาาาทํกรรนใีสติ ต่อไปนนี่ใจมันโลบขึ้นมารู้ทันรู้เฉยเฉยไม่ต้องห้ามนะดูคราภิกส de <MJ, S 1> ูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคา uma. จิตมีราคาขึ้นมาแล้วเรารู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามมันนะมีได้แต่มีแล้วให้รู้โกรธก็ได้ดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตโกรธขึ้นมารู้จิตหายโกรธก็รู้โ ก, กรธอีกรู้อีกหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้หายหงุดหงิดก็รู้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 ที่สงสยัยฟังอะไรก็สงสัยหมด <med> หเช่นคนนี้เป็นต้นนะผมยาวเนี่ยฟั ง, ง, งแล้วงงงงงงแล้วกคิดไปเรื่อยนะถ้าสงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสยัยเหมือนโกรธเรารู้ว่ากําลังโกรธอะ่ะเราจะเห็นเลยความสงสัยขาดสะบั้นไปต่อหน้าต่อตาเลยนะกลายเป็นจิตที่ไม่สงสัยขึ้นมาจิตที่ลางเลจิตที่สงสัยเป็นจิตมีโมหะนี่เราค่อยค่รู้นะหัดดูไปอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิต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 สมาธิง่ายนิดเดียวเลยศัตรูของสมาธิก็คือกิเลสนั่นแหละเคยได้ยินชื่อนิวรณ์ไหมนิวรณ์มันเป็นกิเลสนะแต่มันไม่รุนแรงเท่าราคาโทสาโมหะก็เป็นกิเลสเหมือนกันนิวรณ์เป็นความฟุ้งของจิตเป็นความฟุ้งเป็นความกระเพื่อมของจิตกระเพื่อมไปด้วยความชอบบ้างัด้วยความเกลียดบ้างนะกระเพื่อมไปด้วยความฟุ้งซ่านบ้างด้วยความลังเลสงสัยบ้างที่ก็หมดเรี่ยวหมดแรงเหี่ยวแห้งเฉาลงไปเลยนะ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 อยากให้จิตสงบเนี่ยนะมีสติรู้ทานกิเลสลจิตใจไม่มีกิเลสแล้วนะจิตเทาสงบเองนะของง่ายๆแค่นี้เองแล้วต่อไปเราก็มาฝึกขั้นสุดท้ายแนละฝึกให้เกิดปัญญาเรียนกรรมฐานนะหรือเราเป็นชาวพุทธนะีอย่าหยุดตัวเองอยู่แค่สมาธินะั้นมันต่ําต้อยเกินไปเพราะสมาธิมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะอย่างบางคนเนะี่ยพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูลอสุภะอะไรอย่างเงี้ย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 ดมไปยี่สบอันแล้วไม่ซื้อนะ้ะก็ไปตอนดมด ม, ดมนะขาสตินะขาสติปฏิกูลัสุภะเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมรองรับไฟร้อนเนี่ยความร้อนมีจริงัหมคนถูกไฟร้อนไหมหมาถูกไฟร้อนไหมคนไทยคนจีนถูกไฟร้อนไหมร้อนดังนั้นสภาวะร้อนเนี่ยมีจริงๆสิ่งที่มีจริงๆงเนี่ยก็เรีรเยกว่าสภาวะธรรม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 ถ้าตายไปนะเราคิดว่าไอคนเนี้แหละออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ก็คนเดิมอีกนะจะมีเราอยู่คนหนึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกเราจะมาหัดเรียนรู้ความจริงจนกระทั่งเพราะว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนะี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไปอยู่ที่ไหนความทุกข์มันจะไปอยู่ที่ขันท่าความทุกข์มันจะไม่มาที่เราหรอกเพราะมันไม่มีเราจะรองรับขัน5นะ่าเนี่ยเราจะมาฝึกนะจนกระทั่งถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้ังนะั้นเรื่อเบื้องต้นะนะ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 นั้นปัญญาจากการอ่านจากการฟังนะเรียกว่าสุดตามายะปัญญาเชื่อไม่ได้มันปัญญาของท่านผู้อื่นจินตามายะปัญญายิ่งเชื่อไม่ได้หนักอย่มันคิดเอาเองคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้คิดตามกิเลสไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองคิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆปัญญาที่แท้จริงเนี่ยที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้นะเรียกว่าภาวนามยปัญญาคําว่าภาวนาอย่าไปแปลว่าบริกรรมนะไม่ใช่ภาวนามยะปัญญาคือพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่นะ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 เวลาเราหลงไปฟังจิตใจไม่อยู่กับตัวเองเวลาเราหลงไปคิดจิตใจก็ไม่อยู่กับตัวเองเวลาเราดูท้องของยุบจิตใจเขาไม่อยู่กับตัวเองนะจิตใจอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตใจอยู่ที่เท้าจิตใจไม่ได้อยู่กับตัวเองจิตใจอยู่กับตัวเองเป็นมรู้สึกตัวสบายๆงั้นเราค่อยมาฝึกนะวิธีที่จะได้สมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับตัวเองเนี่ยใช้วิธีเอาสติเนี่ยรู้ทันจิตใจที่มันลืมตัวเอง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 ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นสติรู้ทันว่ามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอยู่มันจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาหรือโลภโกรธหลงก็เหมือนกันสติรู้ทันว่ามีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแปลกปลอมเข้ามาในใจเรามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยอย่างเนี้ถึงจะเกิดปัญญาม่ได้เห็นเลย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 รวมตลอดเจปียังไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งเลยอย่างนั้นนะน้องทวนนะเราบอกไม่ได้ทำรรมสัสตีแต่อย่างนั้นมันหลอกลวงแล้วต้องอศึกษาแก่ตัวเองคอยเรียนรู้ความจริงของตัวเองไปดูรู้สึกไหมจิตใจไม่อยู่กับเกนกับตัวละเนี่ยอย่างนูที่ใส่แว่นนะั่นนะะจิตมันหนีไปแล้วนะหันไปดูเขาเห็นไหมใจเราวิ่งไปที่เขาแล้วลืมตัวเองแล้วเห็นไหมเนี่ยรู้ทันอย่างเนี้ยพอรู้ทันเนี้ยจิตจะอยู่กับตัวเองถ้าจิตอยู่กับตัวเองนะ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 งั้นถ้าใครขี้เกียจทำมหากินแล้วบอกว่าจะปฏิบัติทำไอ้ผู้นี้พาวนามไม่เป็นหรอกทํามาหากินนั่นแหละก็ภาวนาไปปฏิบัติไปนะมีสติไปเรื่อยๆอย่างสมว่าเราทอดกล้วยแขกขายนะเราทอดกล้วยแขกก็เห็นร่างกายมันทอดกล้วยแขกไปอาเอามือไปจุ่มลงกระทะก็แล้วกันนะเห็นร่างกายมันทำงานไปทอดไว้หน้ากินเฉยหอมเรายังอยากกินอยากกินรู้ว่าอยากเนะี่ยใส่ถาดไว้เต็มเลยไม่มีใครมาซื้อเลยมีแต่เมืองวัน วัวทอดไว้อย่างดีเลยนะลงทุนไว้ไม่มีใครมาเลยใจเราเนี่ยฝ่อเลยนะใจเราเหี่ยวแห้งเลยเรารู้ว่าเหี่ยวแห้งเนี่ยปฏิบัตินะเราเห็นเลยใจมันสดชื่นใจมันเหี่ยวแห้งใจมันดีใจใจมันเสียใจนี่แหละการปฏิบัติแค่ทอดกวยแขก็ทำอย่างได้นะจะกวาดบ้านจะตูบ้านทําได้เท่านั้นแหละงั้นถ้าใครอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติมันภาวนาไม่เป็นหรอกภาวานาเป็นนะําเวลาเยอะแยะไปเอาแล้วพอสมควรเกี่ยวเวลานะ มีคนส่งกันบ้านทีคนสิบนำมันสการพคุณเจ้าขอโอกาสเรียนถามจริงๆที่จะถามเมื่อกี้ได้ฟังทำก็นะจริงๆก็รู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยมีสต์ไม่ต้องถามอ่ะผลวงพ่อถามเองได้รู้สึกไมมจิตใจเราเดี๋ยวนี้กันแต่ก่อนไม่เหมือนกันรู้ครับนะ สังเกตไหมว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคู่ละอันกันรู้ครับนะขันมันแยกแล้วนะส่งไม้ไปเมื่อขันมันแยกได้แล้วเนี่ยเป็นอะไรไหมเห็นขันมันทํางานไปเรื่อยๆไม่มีเหล่าตรงไหนเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเพื่อแค่นั้นเองดูไปจนวันหนึ่งมันพอนะมันยังไม่พอตอนเนี้เขายมมีจุดอ่อนนิดนึงคิดเยอะไปคนกว่าเยอะไปปัญญาลําไป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 ใจมันมีน้ำหนักมันจะอึดอัดนะอย่างเนี้ยจงใจมากไปอย่างนี้ตึงนะตึงเกินไปสบายสบายหน่อยชินชินง่ายๆ่ยหน่อยอ่ะครับผมอย่างคือที่ผมสงสัยคือว่าตอนที่จิตไหลไปแล้วรู้และจิตตั้งมั่นผมก็เคยผ่านแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คราวนี้ในระหว่างที่ออย่างสมมติเมื่อกี้มันแยกขันแล้วมันตั้งมั่นนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อเทศ แล้วในระหว่างเนี้ไปเรื่อยกว่าที่สติตัวจริงจะเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจิตตั้งมันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนี้ไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่ถ้าผมใช้วิธีเพ่งไปถูกไหมครับจะย้ายทำไงครับถ้าเพ่งมันก็เพ่งอยู่เหมนแหละเนี่ยมันเคยชินแต่เบื้องต้นเนี่ยตั้งใจไว้นิดหนึ่งได้ดีกว่าย่อนไปเลยระหว่างตึงกับย่อนนะตึงดีกว่าย่อนเพราะย่อนเนี่ยไปเอ า, าย ตึงไปสุขติแต่ไม่ไปนิพพานแต่ว่าพอเราตึงอยู่เราตั้งใจคอยดูแต่เรารู้ว่าตั้งใจนะเะมันคลายตัวเรามันจดยเฉพอดีจุดที่พอดีมีไม่บ่อยหรอกคือแล้วผมมีปัญหาเนี่ยเวลาผมทำในระหว่างรอสติตัวจริงรอบใหม่เนี่ยอย่ารอใ้รอน่ะมันโลภ <c oughs> อ๋อครับบาะบางครั้งก็รู้ทันครับนั่นนั่นมันโลภแล้วแต่บางครั้งมันก็เผลอไปก็ไม่ไปเป็นไรผมก็ไม่ไม่เคย ช่วงหลังนะั้นไม่ไม่ระวังไม่ได้จ้องระวังว่าจะไม่ให้เผลอนะออครับอก็ปล่อยมันไปเลยตรงนี้เผลอก็เผลอสิต้องอย่างนี้ใจก็เผลอก็เผ ล, อ, เเลอสิวะต้องอย่างนี้นะ <laughs> อะ <laughs> มีพูดในใจแบบนั่ น, ห น, น, น, นแหละ <laughs> เราต้องนั่งเลงหน่อยหน่อยคราวนี้ขอให้ปัญหาหนึ่งก็คือว่า เ, เวลาเราใกล้จะตายอ่ะผมไม่รู้ลงหน้าเมื่อไหร่จะตายนี่นะครับแต่แล้ว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 อะไรอ่ชะชาติเดียดธรรมะที่เคยมีแล้วมันจะมาเองใช่ไหมแต่เวลาที่มันจะตายไม่ตายจะตายไม่ตายนะจิตมันไม่มาเนี่ยครับแต่พอมันรู้ว่าจะตายจริงน้นดีดผางเลยนี่อย่างเวลาผมป่วยหนักๆเน่ยนะผมก็ใช้วิธีคิดช่วยว่าเออไม่ไม่เป็นไรช่างหัวมันอย่างเงี้ยอย่างนั้นนันเป็นการปลอบใจ <c oughs> <c oughs> ได้สมถะ <c oughs> ใช่รู้สึกว่ามันมันไม่เคยดีเท่าไหร่มันน่าจะมีไอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นยังไม่ตายถ้าจะตายจริงอะจิตมันจะดีดออกมาเนี่ย มันจะมาเป็นผู้รู้เลยแล้วมันเห็นร่างกายตายจิตนั้นไม่หวั่นไหวเลยนะสัมภาษณ์มาหลายคนแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอยู่เรื่อยๆถึงจุด น, น, นั้นนะบางคนต้องคอยปลอบหมอนะพรอบมาหัวใจกำลังจะวายแล้วหมอก็ตื่นเต้นสั่นใจเย็นใจเย็นอะไอย่างนี้นะคือคือผมเนี่เวลาเวลาคิดเรื่องเรื่องว่าตัวตว น, นคือในแง่าการคิดอะผมก็โอเคไม่เอายอมันทิ้งไปโคคง่โง่งไว คือมันรู้ตัวว่ามันคิดนะครับเราก็ปล่อยนั่นแหละไม่ได้เรื่องเรากมันช้าตรงที่คิดนี่แหละคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้อย่างที่มันเป็นแต่อยากลัวนะเวลามันจะตายเนี่ยชีพมันดีออกมาเองแต่ใช่ว่าที่นั่คือผมกลัวใช่ไหมเรารู้ไม่ทันว่ากําลังกลัวไม่ไม่ไม่ได้กลัวอะไรมากหรอกรู้ว่ายังไม่ตายจริงนะรู้ว่ายังไม่ตายจริงนะมันจะรีบภาวนาแหมจะรีบตักตวงนาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยะ ถ้าเวลาจะตายจริงเป็นอีกแบบหนึ่ง <นะ S 2> แล้วอย่างบางคนกลัวนะว่าถ้าตอนเจ็บมากๆเนี่ยเดี๋ยวตั้งสติไม่ได้อย่า ก, กลัวเวลาเราจะตายจริงๆนะมันจะเริ่มด้วยกระ บ, บวนการมันจะตัดความรู้สึกทางร่างกายออกก่อนนะเหมือนร่างกายเจ็บแค่ไหนไม่เจ็บแล้วตอนนั้ น, นะแล้วมันจะเกิดนิมิตขึ้นตรงที่นิมิตเกิดขึ้นมาเนี่ยที่นิมิตถึงกรรมที่ได้ทําในอดีตนิมิตถึงที่ที่จะไปในอนาคตเลยนะถ้านิมิต ด, ดีเกิดขึ้นจิตดีพอใจจับ ก็ไปเกิดนี่มีตายเกิดขึ้นจิตกลัวรู้ว่ากลัวความกลัวขาดสะบั้นนะไม่จับนแสดงว่าถ้าถ้าเข้าในช่วงที่จะตายจริงนั่นคือไม่อเองก็ไม่มีทางทำได้ใช่ไมไม่ไม่มีไม่มีเจตนาออตอนนั้นไม่มีเจตนานะตอนจะตายวิธีนั่นนะเพราะถ้าเจตนาได้ทุกคนคงเจตนาไปดีๆหมดแล้วขอบคุณครับเหมือนตอนฝัน่ะเจตนาไม่ ใครยังฝันร้ายอยู่บ้างในห้องเหลานี้มีใครยังฝันร้ายยกมือให้หลวงพ่อดซูซิยังมีโอกาสไปอบายนะยัง ม, มีโอกาสเยอ่ลับวัสนการครับรู้ตัวว่าพอพอเข้าใจว่าภาวนาได้ได้ดถูกมั่งครับถูกจะขอให้หลวงพ่อชี้จุดอ่อนช่วงนี้ให้ดูหน่อยครับภาวนาไปนะใช้ได้อยู่จุดอ่อนไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก ของคุณจุดดอนยังมีเพ่งแล้วก็คิดนำนะของคุณไม่ค่อยมีอะไรละระวังฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละจุดดอดเป็ น, ปนที่ฟุงฟ้งซ่านแกล่าวนอสการครับเป็นสมารว่งแรกนะครับฟังพอดีมาหลายปีแล้วใช้ได้ปับถูกถูกนะกายกับใจมันก็โคนล้านกัน ค, ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนํามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ฝึกอย่างนั้นแหละถึงวันหนึ่งจิตมันก็ฉลาดขึ้นมามันก็จะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดล้นระดับทั้งสิ้นไม่มีตัวเราที่แท้จริงครับถูกเราละมีข้อนะครับตอนทนั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันเคขียดๆทีเ่เราเคยฟังอาจารย์ว่าบอกว่าให้ยิ้มอะไรนี้นะถ้าการที่ยิ้มนี่ถือเป็นการแทรกแซงครับให้ได้เป็นลูกเล่นเท่านั้นเองเป็นการฝึกให้รู้ทันรู้สภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวที่จิตใจเคลื่อนไหว แล้วส่วนจะนั่งสมาธิให้สงบเนี่ย น, นะเคล็ดลับมันอยู่ที่ความสุขทําใจให้สบายนะจิตก็จะสงบอย่างรวดเร็วเลยเวลาเวลาเนี่ยตังใจเคร่งเครียดมากไปอู้เรื่องมากที่หลวงพ่อบอกให้ยิ้มเป็นแค่อุบายเท่านะั้นอุบายไม่ให้เคร่งเครียดครันะงั้นถ้าเรายิ้มแต่ว่าเราโลบนะยิ้มล้ยิ้มแล้้อย่างเงี้ยไม่สงบหรอก ต้องยิ้มให้ใจสบายใจมีความสุขปุ๊บสมาธิเกิดเลยครแบบแบบับออกลาบขอบคุณอาจารย์สมาธิไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้ารู้หลักนะง่ายกราบนวัตการเจ้าค่ะคือในชีวิตประจำวันกเ็เวลาจะฝึกนะครับไม่ไม่ใช่เวลาฝึกคือบอกคอยมองจิตตัวไวอะค่ะแต่บางครั้งก็เหมือนกับว่าเราหลงไปจนแบบ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 แต่ว่ามันช้าไปนิดหนึ่งค่อยๆหัดดูไปเดี๋ยวสติมันไวกว่านี้อันนี้มันมันดูมันยืดยืดไปนิดหนึ่งเจ้าค่ะบางบางทีส่วนใหญ่จะแบบไม่แน่ใจพอแบบรงสัยก็แบบอย่างขนาดนี้ยรู้สึกไม่สงสัยเจ้าค่ะเนี่ยเรารู้ทันในใจเราขมวดขมวดนะแล้วก็รู้รู้สบายสบายอย่างนี้เพ่งอย่าเพ่งนะแค่รู้เฉยเฉยรู้แต่แต่นิดเดียวแค่รู้ว่ามันเป็นยังไง เห็ตอนนี้ใจใจมันมันอยากพูดแล้วเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมแค่นั้นหน่แค่รู้สึกเห็นไหมความอยากพูดปุดแล้วมันก็ดับรู้แค่นั้นเองสบายๆอย่างนี้ถึงจะปัจจุบันนะบางบางทีมันคงไม่ทันใช่ไหมคะไม่ทันมันดับไปแล้วเราไปทวนทีหลังมันโกรธแล้วเราก็ไปพิจารณานิดหนึ่งนะมันหายอะไรเงี้ยแตอนนี้เราอภัยให้แล้วนะอะไรเงี้ยมันมีดีเลย์ไทม์มันยังไม่ปัจจุบันมันยืดไปนิดนึง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 อย่างเมื่อกี้เห็นความสงสัยใช่ไหมความอยากพูดนะ่ะมันอยากพูดปุดขึ้นมาเราเห็นมันดับวับไปต่อหน้าเลยลดูให้มันไวๆดูสบายๆนะอย่าเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเร็วปั บ, บดับไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปภาคหนึ่งแล้วเราไปตรวจตอนนี้ไม่โกรธแล้วอะไรเงี้ยแต่แต่มันมันก็ต่อเนื่องในในในขณะนั้นที่ว่าไอ้ความโกรธเล ย, บบเล ย, เยแบบเลยเอ๊ะแบบเหมือนกับแบบ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 ถ้าจ้องอยู่อย่างเงี้ยมัจะไม่มีอไอโปลให้ดูเลยเจ้ค่ะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้สบายๆของยองมันติดเพ่งไปนิดนึงติดสมถานั่นแหละเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมันในเดินปัญญาไม่กระฉับกรเฉงมติดสมถะกลับนำ้ำมันสการ์พระอาจารย์ค่ะจะขอถามพระอาจารย์เกี่ยวกับสภาวะธรรมในการนั่งสมาธิอะค่ะคือพอนั่งสมาธิเนี่ย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 ตัวนี้ไม่ใช่ผู้รู้ตัวนี้เป็นผู้เพ่ง <c oughs> มันไปกดจิตอยู่ดูออกไหมมันไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> แต่ในสมาธิเรารู้ว่าเราได้ในสมาธิก็เออแยกได้ในสมาธิก็ทำไปไม่ว่าอะไร <c oughs> สมาธิทำได้ก็ดีแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วให้ดูกายให้เห็นร่างกายมันทางานให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะให้ดูอย่างนี้เรื่อย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 แต่ต<อ>ถ้ า, ออาจะเดินปัญญาในฌานเนี่ยทำได้เฉพาะพวกดูจิตไจะดูองค์ฌานเกิดดับดูปีติเกิดแล้วปีติดับอะไรเงี้ยตอนที่เดินปัญญาใใรเราไม่ได้ใช้ความคิดใช่ไมชหมอาจารย์เราดูดูแล้วก็พิจารณาออของโยมนะไปดูกายให้มากนะ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 ดูร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของที่เป็นของเที่ยงนะของที่มีความตุกบีบคั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้นอนธาตุดูไปทีละส่วนผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงนีไปอย่างนี้นะถึงจะใช้ได้ไม่งั้นที่ทําอยู่เป็นสมาธิทั้งนั้นแหละ <c oughs> ใช่ค่ะใช่แล้วจะร้ายด้วยป <c oughs> กติสมาธิจะร้ายมากกว่าคนปกตินะ <c oughs> ก็อยากจะให้พระอาจารย์แก้ไขแนะนําให้ก็ว่าปีแล้วอ่ะต่อไป คนนี้กลัวมานานแล้วอ่ะกล่าวในมัสยมศึกษาหลวงพ่อค่ะคือโยมมีโอกาสได้ฟังซีดีมาหลายปีแล้วแต่ว่านี่เคส่งกันบ้านค่ะเป็นครั้งแรกก็ใช้ได้นะใส่ใจไม่ไกลกับใจมันก็แยกได้ความรู้สึกมันก็แยกไปถนัดดูกายหรือดูจิตถนัดอะไรโยมก็ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรรู้ความรู้สึกตัวเองบ่อยไหมฟูงบ่อยมากเลยค่ะหลวงพ่อ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 อพดีนะเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์นะเวลาเราพาวนาเราแยกขันได้นะมีคนมาเล่าหลวงพ่อนะเป็นมะเร็งอ่ะหรือหมอเองก็แปลกใจมันไม่ต้องให้หมอฟินเท่าไหร่ให้ยาน้อยมากเลยเพราเขาแยกขันแล้วเขาไม่เดือดร้อนจ้าค่ะก็เรียกว่าสามารถทรงสมาธิได้นานสี่สิบแปดชั่วโมงแต่ว่าเกิดดับเกิดดับจะเห็นบ่อยถูกอย่างนั้นดีกว่าทรงอยู่ตลอดนะค่ะอีกนั้นแหละเกิดปัญญา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 ไปัวอย่างนี้แหละดูอย่างนี้นะคะใช่กราบนมัส ก, การค่ะหนูยังปฏิบัติอยู่ในทางหรือเปล่าคะตอนนี้เพ่งไหมนิดนึงค่ะเออตอนนี้เพ่งก็รู้นะจิตอยู่ข้างในหรือจิตอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเออให้รู้ทันนะ <laughs> ไม่ใช่คิดตอบนะรู้มองสภาวะได้ไหม <laughs> ถ้ารู้สภาวะก็ใช้ได้คะ <laughs> อย่างเนี้ยจิตวิ่งมาอยู่หาหลวงพ่อแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs>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 เราเวลาหนูนั่งสมาธิเราสบรงบอะคะ่ะคือเห็นตัวเองสับประงกนี่คือยังมีสติอยู่ย<ช>ังมีอยู่ใช้ได้ <c oughs> นถ้าสงกไปเห็นตาหลงแล้วแล้วก็หายไปหลายชั่วโมงขึ <c> ้น <oughs> อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะะกลับนรรมการหลวงพ่อนะคะลงกันบ้านครั้งแรกนะคะก็ฟังจนทำหลวงพ่อว่าประมาณหกเดือนนะคะกลับอขอทำได้ด้วยนะเดินทําได้อย่างนี้ก็เก่งแล้ว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 อยู่กับพุทโทอยู่กับลมหายใจหรือสวดมนต์หายเว <บน S 2> ลาสมมติจะใช้ลมหายใจอะคะอ่ะวิธีการนี้เห็นร<า>่างกายหายใจยใได้ไในทาซิอย่าไปกดจิตให้แรงอย่างนั้นจิตต้องสบายยิ้มหวานกันเนี่ยเราใช้ใช้ใช้จิตอย่างนี้เห็นร่างกายหายใจด้วยจิตที่ธรรมดาเหมือนกับรู้ร่างกายหายใจพยายามจะทำยาง้งเออน้ฝึกไป อ้าวข้สุดท้ายตื่นเต้นนานกรรมนศการคะ่ะหลวงพ่อใช่ได้แล้วล่ะหนูฮะอืม <laughs> คือเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านไม่เคยคิดว่าชีวิตจะกล้าส่งเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาห้าเดือนนะก็ใช่ได้แล้วล่ะออรู้สึกไหมชีวิตมันเปลี่ยนรู้สึกธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์นนะถ้าเราลงมือทำเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลาสั้น อย่างคนที่ไม่ปฏิบัตินะี่กี่สิบปีก็เหมือนเดิมหรือไม่ก็แย่กว่าเดิมแต่เราลงมือปฏิบัตินะใจเรานะ่ะค่อยสว่างสวัยเบาสบายมีความสุขเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นทุกสั้นลงทุกน้อยลงนะไปฝึกต่อไปที่ที่หายใจถูกแล้วไม่ฮะหายใจสิโออย่างนี้แรงไปลืมตาสิเห็นไหมใจซึมมานิดหนึ่งล้โมหะแทกตื่นเต้นมาก หายใจใหายใจถอนใจแรงๆทีอย่างนั้นเลยน่ใจะให้มันคลายออกอย่าไปเครียดนี่นะเครียดนี่ไม่ดีแต่ที่ฝึกอยู่นะใช้ได้นะตอนนี้จะโชว์ให้หลวงพ่อดูมันเลยเพี้ยนไปหมดใช่่มันก็จะติดนิดนึงจะขอรบกวนถามปัญหาหลวงพ่อคือว่าเวลานั่งสมาธิก็ลองสังเกตตัวเองว่า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 เรียกว่าดีแล้วไม่รู้ตอนนี้มันแยกขันอยู่แล้วหลงพ่อจะบอกให้ถ้าเราเข้าสมาธินะจนกระทั่งเหมือนโลกทธาตุหายไปนะเหมือนร่างกายหายไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่นิดนึงนะพอเราออกจากสมาธิมาเนี่ยมันแยกขันอัตโนมัติลยมันจะเห็นว่าเมื่อกี้ร่างกายมันไม่มีไม่ใช่เราหรอกร่างกายที่นั่งหายใจอยู่มันไม่ใช่เราหรอก